ต่อจากนี้ไปเป็นการอรมทวรมชาเรื่องสัจจะแห่งความหลอกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2531ที่พุทธสถานสติอสุ ข, ขอเชิญท่านติตาฟังได้นะบัดนี จึงเกิดความโลภกับความโกรธอยู่พระพุดใดที่ลดความโลภความโกรธจิตก็จะเข้าใจถูกขึ้นเรื่อยโมหะก็ลดลงลดลงลดลงจนความจริงรู้เห็นว่าเราเองมีกิเลสเราเองมีความบกพร่องก็ยอมรับของตนเองเมื่อยอมรับของตนเองแล้วอย่างแท้จริงนั่นเลยที่ว่าเราพ้นสักกายทิฏฐิ ผู้ใดที่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองไม่เห็นความผิดของตัวเองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเองผู้นั้นยังไม่พ้นส ก, กายทิฏฐิอันนี้สําคัญจุดนี้สําคัญมากนะแม้ว่าผู้ที่ยอมรับว่าตัวเองผิดในส่วนหนึ่งเห็นว่าตัวเองมีส ก, กายะมีตัวไม่ดีมีสภาพที่ไม่ดีขนาดไหนก็ตาม ยอมรับใจส่วนหนึ่งยอมรับแต่ก็ยังดื้อด้านก็ยังแข็งกระด้างก็ยังมียอมยอมตนเองบ้างไม่ยอมตนเองบ้างนะัเรียกว่ายังมีมานะพ้นสักกายทิฏฐินะแต่ว่าไม่พ้นยังไม่พ้นมานะทั้งหมดแม้พ้นมานะอยู่ก็ยังมีสิ่งที่มันยังกำราบไม่ได้เรียกว่ามีราคะจะเป็นราคะระดับหยาบ การมราคะเป็นปฏิฆะกดตามหรือเป็นรูปราคะอรูปราคะกดตามก็ยังมีกิเลสเหล่านั้นอยู่จริงซึ่งจะต้องฝึกขัดอบรมขัดเกลา้าต้องขัดเกล้าจริงจริงมันจึงจะหมดการมราคะหมดปฏิฆะและหมดรูปราคะอรูปราคะลงไปได้และถึงไปเก็บละเอียดอีกสุดท้ายอุทจจะนี่เป็นเรื่องของสังโยติแท้จริง มีหลักเกณฑ์มีศีลมีพรตมีศีล ป, ประพตประพฤติปฏิบัติจริงๆเอาใจใส่ภาคเพียรอบรมตนไม่ให้มันแค่ที่ทาศัก์ตั ว, วเล่นๆเรียวกว่าปรามาตไม่ใช่ศีล ป, ประปรามาตรแล้วก็จะรู้ชัดรู้เจนไม่ใช่รู้อย่างงงเงาๆรู้จ่างลังๆลั ง, ลงเลเลยเป็นวิจิตรฉาต้องทำอย่างจริงอย่างชัดเจนรู้ตัวรู้ตนรู้สภาพอย่างแน่จริง แล้วมันก็จะปราบตนเองลงไปเรื่อยๆถ้าพูดใดทําผิดอยู่บกพร่องอยู่แล้วก็ไม่ยอมรับตนเองผู้นั้นไม่มีทางจะเจริญได้หรอกยังไม่พ้นสกายทิทิยังไม่พ้นยังไม่ยอมรับยังไม่รู้ตัวด้วยยังไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้อะไรเลยนัเรียกว่ายังไม่พ้นแม้กระทั่งแค่มิชชาทิทิยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรเลยยังไม่พ้นมิชาติ รู้ผิดรู้ถูกด้วยปริยัติรู้ผิดรู้ถูกด้วยโวหารด้วยทฤษฎีอ่าโดยความรู้ความหมายก็เรียกว่ารู้ขึ้นมามีทิฐิความเห็นหรือมีปัญญาขึ้นมาบ้างแต่ยังเทียบกับตัวเองเรียกว่าสกายะยังเทียบไม่ได้ก็เรียกว่ายังเทียบไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรไม่มีทิศทางเรียกว่ายังไม่พ้นแม้แต่มิจฉาทิฏฐิ พอ ม, มารู้ตัวเองรู้ทิศทางเอเอจะทําอย่างนี้นะนอกจากรู้ทิศทางแล้วก็รู้ทฤษฎีรู้หลักเกโนจะทําให้ตัวเราลดลงโดยกายวาจาใจเป็นอย่างนี้นะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองเรียกว่าอนิจจังเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ในทางเจริญไม่เป็นอยู่อย่างเก่าเรียกว่าพ้นนิจจัง พ้นความเที่ยงความแท้ความเป็นอยู่อย่างเดิมแข็งแรงอยู่อย่างนั้นน่ะพ้นไม่ได้พ้นไปในทาง เ, าเปลี่ยนแปลงหรือว่าลดเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็ น, นความไม่เที่ยงไปในทางความเลวเพิ่มขึ้นโดยซ้ำนะไม่จะพ้นเพราะว่าเราเราเราจริญเลวเรือเจริญเจริญสิ่งที่เป็นตัวเรากายก็ดีวิจีก็ดีมโนก็ดีที่เป็นอกนุศลไปทุจริต เราเจริญขึ้นคือทุติยริมเจริญอุศัมันเจริญก็ไม่ใช่รู้ทิศทางเลยนะรู้มั้งรู้ทิศทางที่จะเดินขึ้นสูงเดินขึ้นทางเจริญรู้จริงๆเลยรู้โอทฤษดีนี้ใช้ได้เราลองดูแลทฤษดีนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นอ น, นิจจังทฤษดีนี้ทําให้เราเจริญขึ้นได้เห็นเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นละพ้นมิจฉาทิฏฐิพอรู้สภาพแล้ว ร, รู้ปฏิบัติรู้ปริยัติรู้ปฏิบัติรู้ปฏิบัติเริ่มแทงขึ้นมาแล้วแทงถูกตัวพอแทงถึงตัวม ด, มดหมดมิจฉาทิฏฐิทีนี้ผู้ใดเข้าใจลึกซึ้งขึ้นรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์สิ่งนี้มันเป็นความไม่ดีไม่งามสิ่งนี้เราก็จะต้องทำออกแล้วก็ศึกษาสภาวะจริงลงไปอีกเห็นเหตุเห็นทุกข์เห็นกิเลส เห็นตัวเป้าที่แม่นขึ้นในวสกายะเห็นสมุทัยแห่งทุกข์ซึ่งเป็นเป้าที่เราจะต้องจัดการกับมันและเราปฏิบัติเข้าไปก็ยิ่งจะเห็นตัวสภาพชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นปรมตทิอ่์คือจิตเป็นประธานและเราก็จะรู้สมมุติว่าเมื่อจิตเป็นประธานแล้วเรารู้โลกว่าโลกเรียกอันนี้วดีโลกเรียกอย่างนี้ว่าชั่ว โลกเรียกอย่างนี้ว่าสมมุติที่เราจะต้องอยังให้ถึงพร้อมเป็นกุศลเป็นสุจริตกายกรรมก็ดีวิจีกรรมก็ดีพฤติกรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นดีเป็นชัวน่วเป็นสมมุติแต่เราก็ต้องอาศัยชีวิตก็ต้องอาศัยความดีมีชีวิตอยู่ต้องมีพฤติกรรมมีการกระทำมีบทบาท นี่พุทิต่างๆเราก็ฝึกฝนอบรมให้พฤตินี้มันเจริญพฤตินี้มันดีขยันมันเพียรทําแล้วเราจะเห็นว่าความจริงนี่นะทุกอย่างเกิดจากการอบรมฝึกฝนแล้วเราก็จะยิ่งเห็นความดีของมันเห็นความเจริญของมันให้ความเป็นประโยชน์คุณค่าของมันตามสัจจะเราเคยเข้าใจอย่างโลกๆว่าเราฉลาดเมื่อฉลาดแล้วเราก็ไปเอาเปรียบเข้ามาเนี่ย เป็นความเจริญชนิดหนึ่งเราเคยหลงผิดเป็นโมหะมาเป็นต้นหรือเราไปติดไปเสพอะไรแล้วก็เกิดรสอร่อยหลงว่าเป็นความสุขที่จึงเป็นสุขคันเละเป็นสุขหลอกๆเป็นสุขตอแหลเราไม่รู้แต่ก่อนพอเรามาเรียนรู้เห็นความสุขที่เป็นความสุขเห็นว่ามันเป็นภาระเห็นความสุขที่สงบรสรสอร่อยรส ลดลดความติดลดกิเลสจับเป้ากิเลสได้แท้เลิกรามาก็เห็นความหลุดความพน้นรู้ตัวดีว่าเราได้พ้นความสุขโลกิยะนิมาที่เป็นความหลงไหลไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นประโยชน์คุณค่าอะไรกับตัวเองเลยตัวเองบำเรตอตนตัวเองไม่เจริญสูญเสียเวลาสูญเสียแรงงาน ศูนย์สเสียแรงงานทางสมองทางกาลังกายศูนย์เสียทุนรอนศูนย์เสียเปล่าไม่เข้าเรื่องพอเรามาเลิกมละแล้วเราจะเห็นความเจริญของเราเห็นความหลุดพ้นเห็นความหมดสังสารวัตรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เสพที่ติดนั้นก็ตามหรือแม้ว่าสิ่งที่ไร้ค่าไร้คุณอะไรที่เราเองเรายังไม่เข้าใจเราจะเกิดญาณปัญญาเห็นจริง ที่ได้พาธทำมาต่างๆนานานี่ที่ยิบมาพูดวันนี้ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งตอนนี้ผู้ปฏิบัติมาในตรวจทานไปตามตั้งใจฟังดีๆไม่หยจบฟังอย่างมาหน้ามาฟังก็พูดที่เรื่องเก่าเข้าใจแล้วละ่ะรู้แล้วละ่ะรู้ด้วยความทราบซึ่งรู้ด้วยความตรวจทานฟังแล้วก็นมน้อมตามมีบุเพนิวาสานุสติ ระลึกตามย้อนเก่าๆที่เราเคยเป็นที่พูดไปนี่มันผ่านความเก่าที่เราเคยเป็นตรวจสอบได้ว่าความเก่าอย่างที่เป็นนั้นอันที่มันเคยเป็นทุจริตเป็นอกุศลพอมาถึงวันนี้ขณะ น, นี้เราก็ยังมีปฏิพาณพอรู้ตัวเองว่าเดี๋ยวนี้อกุศลทุจริตเหล่านั้นเราได้กระทํามาเราได้ละมาเราได้ลดมาเราได้หลุดพ้นมา จะเห็นสภาพความหลุดพ้นเห็นวิมุตต์เห็นความจางจางจางคลายมันจะเกิดเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นวิราคานุปัสสีใครถึงขั้นนิโรกก็จะเห็นนิโรธานุปัสสีจะเห็นความจางคลายที่เราเคยแต่ก่อนนี่มันแข็งมันแรงมันเหนียวมันแน่นมันติดมันยืดมันหลงอยู่อย่างหยาบเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่เทียงละเห็นความไม่เป็นอย่างที่มันเคยเป็น เห็นอันนี้จังอย่างที่ว่าไม่เทียงนั้นคือเราเจริญขึ้นเราเปลี่ยนแปลงมันได้มันแตกตัวได้มันลดตัวตนได้มันไม่ได้เป็นอยู่อย่างเก่าวิราคานุปัศีมันจางคลายตัวเหตุตัวปัจจัยเหล่านั้นนะเห็นอริยสัจสี่รู้จากสังสารวัตรรู้จากความบนเวียนรู้จากว่าเราเองเป็นาธาตุแล้วก็ลดความเป็นาธาตุลดตรงไหน ลดได้หรือไม่ได้คุณจะเกิดความจริงคุณจะเห็นความจริงสัจจะพวกนี้มีความจริงไม่ใชเรียนอย่างใดใ ไ, ไปท่องในตัวหนังสือรู้ภาษาเข้าใจความหมายอะไรแล้วก็ว่ากันไปโดยภาษาอยู่อย่างนั้นแหละเกง่งเฉลียวฉลาดปราดเปรืองด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยเกณฑ์ด้วยทฤษฎีด้วยภาษาตรกกระสร์ไม่ใช่เท่านั้นคุณรู้น้อยก็าตามแต่รู้ถูกเป้ารู้ถูกสาระ แล้วเราก็ได้ฝึกหัดอบรมปฏิบัติเห็นปริยัติเห็นปฏิบัติเห็นปฏิเวทรู้เราปริยัติเรามีปฏิบัติเราได้ทําปฏิเวทมีผลวิราคานุปัสีนิโรธานุปัสสีในเรื่องในเรื่องที่เล็กที่น้อยด้วยในเรื่องที่เราได้ทํามาก่อนมันดับสนิทนะดับสนิทมันอาจจะไม่สนิททีเดียวหรือสนิทจนกระทั่งเราแน่ใจถอนอนุสัยอาสวะเราก็จะเห็นความจริงนั้นเป็นตัวอย่าง เป็นของจริงตามความเป็นจริงความรู้ความเห็นอย่างนั้นแหละคือวิชาคือญาณทัศนวิเศษคืออภินญาแม้จะเป็นวิชาในเรื่องเล็กเรื่องน้อยของเรามันก็เป็นของจริงตามความเป็นจริงมันเป็นญาณทัศนะมันเป็นวิชามันเป็นอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งรู้จริงรู้ถูกทิศทางที่พระสมบัมพุตรเจ้าพึ่งสอนมนุษย์ให้เจริญคุณจะมั่นใจ จะศรัทธาศรัทธาจะเกิดศรัทธาอย่างศรัทธินรีศรัทธาพระจะเกิดกรรมศรัทธาเกิดวิปากศรัทธาเกิดกรรมสกตาศรัทธาแม้ที่สุดคุณจะเชื่อตถาคตโพธิศรัทธาจะศรัทธาว่าอ๋อย่างงี้เองหรือวิชาการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนคนให้หลุดพ้นอย่างงี้เลยนิพพานวิมุตต์มันเป็นอย่างงี้เลยแม้จะเป็นวิมุตต์น้อยๆในเรื่องน้อยก็าตาม ในเรื่องเล็กน้อยที่สุดเราไม่ถึงขั้นขนาดถนัดที่เรียกว่าเราจะเป็นผู้ที่รู้ยิ่งหรือว่าลดกิเลสได้มากได้ไม้อะไรก็ตามถ้าได้ประมาณหนึง่งมันก็เป็นผู้ที่รู้ยิ่งรู้จริงเข้ากระแสมากพอเนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้ความทุกข์มันลดลดเหตุแห่งทุกข์มันเป็นอย่างนี้มันจะเข้าใจอริยสัจสมาปิดมีความมีความรู้ แบบปริญโยยะรู้อ๋อทุกเป็นอย่างนี้สมุทยัยเหตุแห่งทุกมันคืออาการอย่างนี้นิมิตอย่างนี้เองความแตกต่างแห่งความที่มีอยู่กับไม่มีมันเป็นอย่างไรอารมณ์ของคนที่มีโลกียสุขเพราะเหตุปัจจัยนั้นกับหมดโลกียสุขแล้วเป็นวูปุสมโมสุขเป็นอย่างไรคุณจะรู้อันนั้นเป็นปัจจตังเวทิตโพวิญยูหิจะรู้ว่านี่คือความสงบ นี่คือความตายกิเลสตายตายตั้งแต่ยังเป็นปนดับสนิทไม่เกิดอีกมันเป็นอย่างไรไม่มีสังสารวัฏจริงๆความหมายเหล่านี้เราพูดมากอยู่ในาศาสนานเราพูดกันมากแต่พูดแล้วมันมีของจริงรองรับไหมถ้าพูดแล้วมันมีของจริงรองรับเราก็รู้แล้วว่ า, าศาสนาพูดคืออย่างนี้ เมื่อเราแน่ใจมั่นใจมีศรัทธาศรัทธินิสัยศรัทธาพระมีกรรมศรัทธาศรัทธาเพราะเราได้ทํากรรมศรัทธาศรัทธาเพราะเราได้พุทธปฏิบัติก็ทําจริงๆไม่ใช่ว่าเอาแต่รู้ได้ลงมือกระทํามีผลวิปล า, าสศรัทธาศรัทธาเพราะมันเห็นผลให้ผลเล็กผลน้อยก็าตามถ้ายิ่งมีผลมากๆมีผลที่ชัดเจนมีผลที่มีเหตุปัจจัยหลายหลายเหตุ ห, หลายปัจจัย มันเป็นสิ่งยืนยันยืนยันเลยว่าโอ้จริงน ะ, ะคุณก็ยิ่งจะเห็นวิมุตต์ตัวโตวเห็นรับรสวิมุตติรสว่าโอ้รสเห็นความสงบรสเห็นความหมดวัฏสงสารพ้นทุกอริยสัตว์มันเป็นอย่างนี้หรือคนจะรู้ของคุณเพราะกรรมกรรมสกตาศรัทธาเพราะคุณได้ทําของของตน เชื่อว่าโอ้ตอนเองรู้ยิ่งรู้จริงเพราะตนได้มักได้ผลเพราะตนเห็นของจริงตามความเป็นจริงตนซับรถตนลิ้มรสตนรู้จักรสแห่งความสงบสุขบูปสมโมสุขแต่ก่อนเราเคยมีโรกียสุขที่เคยบมเรมันเดี๋ยวนี้มันเป็นบูปโสมโมสุขแล้วมันเป็นอย่างไรคุณพอใจหรือไม่สุขอย่างเราสงบระงับอย่างนี้คุณเสียไปแล้วนะ คุณพร่องไปแล้วในเรื่องโลกียรถด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นที่เคยมีเนะี่ยเดี๋ยวนี้มันมันไม่มีแล้วโลกียรถอย่างนั้นคุณเสียดายมันไหมโหยหามันไหมหรือว่าเห็นว่าวิมุตติรต น, นเยี่ยมยอดกว่าโอ้เราหลุดพ้นได้เนี่ตียิ่งกว่าวิเศษยิ่งกว่าประเสริฐยิ่งกว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าเรากลายเป็นผู้ได้เวลาคืนมาได้ทุนร้อนคืนมาได้แรงงานทางกายทาง สมองทางความรู้คืนมาเอามาใช้เป็นประโยชน์อื่นสร้างสรร์ประโยชน์อื่นที่จะเป็นคุณค่าในชีวิตแม้เราจะหนักอยู่อย่างเก่าจะเนือยอยู่อย่างเก่ายัเอาเวลาแรงงานอะไรไปทํางานสร้างสรรค์อยู่อย่างเก่ามันก็เป็นการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าแม้คุณจะยังแลกลาบแลกยศอยู่คุณก็จะมีความเจริญเอาแรงงานนั้นไปสร้างสิ่งที่สุจริตเอาเวลานี่ยไปสร้างสิ่งสุจริตอ่า เอาทุนรอนนั้นไปสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่ามันก็เป็นความเจริญที่แท้แม้คุณจะยังไม่สูงในอาชีพยังไม่สูงในการเสียสล ะ, ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นผู้ที่ความโลภลดน้อยลงมากมายอะไรนักก็ตามคุณก็จะเห็นอริยสัจจะเห็นความจริงเกิด สภาพที่มีจริงเป็นจริงคุณต้องจะเชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเราจะได้หัวใจาศาสนาหัวใจแห่งาศาสนาพุทธจะเป็นโอวาทปาติโมกษสามลาชั่วประพฤติดีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสคุณก็จะรู้ว่าโอ้เราเลิกแล้วนีกรรมกิริยาอย่างนี้แต่ก่อนเราเรียกว่ามันล้มว่ามันดีนะมันอร่อยคนก็ยังเป็นอยู่เยอะแต่เราหลุดพ้นมาแล้วเราไม่มีไม่เป็นละไม่ทำละเรามีฮิริมีโอตตะปะ มีเฮรีมีโอตปาเราอยังมีภูมิสัจจะมีความจริงเราทําได้มาแล้วเราจะรู้ว่าเราได้ที่จริงเราเสียสละสิ่งที่โลกียะเขาหลอกเป็นโลกียะเราหลุดพ้นออกมาสู่โลกใหม่เป็นโล ก, กุตระโลกน้อยๆโล ก, กุตระน้อยๆ น, นี่แหละเราหลุดพ้นออกมาจากโลกียะที่เคยเวียนวนไปสังสารวัตรหมุนวนอยู่ประเดี๋ยวก็ทุกข์อยากมันก็ทุกข์พอได้มาเสพมันก็สุข วุ่นวายอยู่อย่างนั้นนะไม่รู้จักจบอพอเราไม่ต้องวุ่นวายแล้วไม่ต้องวนแล้วไม่ต้องอยากแล้วก็บำเรอความอยากก็เป็นสุขขึ้นสวรรค์พอได้สวรรค์อยากอีกลงนรกอีกพอได้ลงนร ก, ก, นรกขามาบําบัดมันได้ขึ้นสวรรค์อีกวุ่นเวียนอยู่อย่างนั้นจนไม่มีวั ต, ตะนั้นไม่มีสังสารวัตนั้นหมดโล ก, ก น, นั้นกลายเป็นผู้ที่เห็นผลของการหมดโลกรู้ดุจานทัศนะ โอ้มันสงบประงับเป็นอย่างนี้โลกนี้ดับไปโลกนี้ไม่มีแล้วเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่วนอีกแล้วไม่เป็นถาดอีกแล้วอิสระเสรีแล้วหลุดพ้นแล้วปลดแอกแล้วคุณจะเห็นด้วยยานทัศนะอะเห็นของจริ ง, จ ร, งจริงเลยไม่ใช่ว่าเดาแต่เป็นเรื่องที่มีจริงเป็นจริงเป็นกรรมสกุตาเป็นของของตน เป็นโลกุตระน้อยๆจะเป็นโลกใหม่ที่แต่ก่อนนี้โลกโลกกิยะกวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นโลกกิยรถของปุถุชนหลงติดเป็นธาตุอย่างนั้นเมื่อเป็นอิสระเสรีภาพอย่างนี้จึงเรียกว่าโลกุตระมันจะโลกเล็กโลกน้อยขนาดไหนคุณก็ต้องรู้ความจริงตามที่ว่านี่ให้ชัดๆเมื่อเรามีโลกุตระหลายๆแบบหลายๆอย่างวัดเรียกว่า จักรวาล น, น้อยจักรวาลใหญ่เนี่ยเรามีการพ้นโลกอย่างโลกียะมาได้โลกุตระเป็นจักรวาลใหม่เป็นป ร, โ ล, ปรโลกปรโลกเป็นปรโลก โ, โกเป็นโลกใหม่เป็นสัมปราญกภูมิเป็นภูมิใหม่ที่มีประโยชน์ใหม่ประโยชน์ใหม่นี้เป็นศรัทธาสัมปทาประโยชน์ใหม่นี้เป็นศีลสัมปทา ประโยชน์ไปนี้เป็นจากคสัมปทาเป็นปัญญาสัมปทาเป็นประโยชน์ของสัมปรายกภูมิเป็นภูมิใหม่โลกใหม่โลกใหม่ที่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดอยู่เดี๋ยวนี้ถึงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตายแล้วก็ถึงกิเลสตายแล้วถึงไม่ใช่ว่าเราตายร่างกายไปเราถึงโลกใหม่นี่จะไปถึงเมื่อตายแล้วจริงแต่กิเลสมันตายเพราะฉะนั้นคนใดฉลาดก็จะเห็นโลกใหม่ตั้งแต่ตายเป็นตายเป็นเป็น ตายถ้ายังไม่หมดรูปนามขันห้าคือทำให้กิเลสมันตายเมื่อกิเลมันตายแล้วเราก็จะสู่ภูมิใหม่พบใหม่เป็นสัมปรายกภูมิจะเห็นว่าโอ้นี่เราเกิดศรัทธาสัมปทาเชื่อมั่นเพราะผลนั้นเกิดจริงญาณทัศนะเกิดจริงเป็นปัญญาสัมปทานั่นเองญาณทัศนะนี่คือปัญญาสัมปทาคุณจะเชื่อมัน่นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะ เอาศีลมาจับกับโอมีศีลเอาหลักนี้เป็นหลุดพ้นที่แท้จริงปราศจากกิเลสนี้บริสุทธิ์ด้วยหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่างหยาบกลางละเอียดยังไงก็เอามาจับศีลอาทิตศีลจนกระทั่งถึงอเศัขศีลเราบริสุทธิ์ผุดผ่องได้เพราะจารคสัมปทาเพราะสละไปหมดแล้วสละกิเลสและสละสิ่งที่เราเคยเอามาบ่มเรือตนนั่นด้วย ไม่ติดไม่ยึดมันจริงๆเป็นจากคสัปทาที่เป็นประโยชน์เห็นว่าประโยชน์เราได้และเราจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยโลกใหม่นี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดพร้อมมีแรงงานมีเวลามีทุนรอนแต่ก่อนนี่ก็ใช้จ่ายทุนร้อนนั้นๆบำเบลอตนอยู่หนักมากเ ท, ท่าใดก็จะรู้เมื่อเราไม่ใช้ใช้บำเบลอตนมันก็เป็นความเหลือเป็นส่วนเหลือเป็นความอุ ด, ดม ถ้าเราก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์อื่นตระได้เนี่มันจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องจริงที่ทําขึ้นมาหมดเลยโดยเฉพาะสัพปรายยิ่กับภูอธิบายว่าตายแล้วค่อยไปแล้วก็ค่อยไปได้ประโยชน์นั้นและยังไม่เคยมีใครมายืนยันเลยว่าตายแล้วได้ประโยชน์ที่ว่านั้นเปล่าหรือจะไปเชื่อศรัทธานี่ถึงความเชื่อตายแล้วค่อยไปเชื่อร่างกายตายนะแม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อหรื อ, อยัง เขามาบอกเราก็ไม่ได้อยากเก่งก็แค่มาเข้าฝันนะมั้งไอ้เข้าฝันก็ไม่ใช่ความจริงจะไปศรัทธามันก็ไม่ศรัทธาเป็นเอหิปัสสิโกท้าให้พิสูจน์ไม่ได้เลยตายแล้วก็จะมาพิสูจน์กันนี่ไม่ได้ไม่เพราะงั้นคําสอนนี้ไม่เป็นสวากขาตธรรมไม่เป็นคําสอนที่พิสูจน์ได้จริงไม่เป็นเอหิปัสสิโกท้าทายเรียกร้องมาพิสูจน์ไม่ได้ แต่อย่างที่อาตมาว่าเนี่สัมปรายิกภูมิท้าทายให้มาพิสูจน์ได้คุณจะเห็นสัมปรายิกภูมิจะเห็นโลกหน้าจะเกิดโลกหน้าจะถึงโลกหน้าและพูดกันได้ทนโทนี่ถึงโลกหน้ายังมีโลกหน้ายังมีประโยชน์สี่ของสัมปรายิกภูมิมั้ยยังสัมปรายิกภพหรือยังเข้าใจไหมนี่ได้นักธรรมไหมเนี่ยนักธรรมอะไร ฮะนั่นทำตรีอะก็เรียนแล้วนี่ประโยชน์สัมปราญิกะทบประโยชน์เรียนแล้วนี่ใช่ไหมแค่เรียนแล้วนี่ฟังที่อธิบายนี่เป็นไ ง, งไม่ได้เลยเหรอไ ม, ไ, ไม่ได้เลยเหรอสัมปราญิกะสัมปราญิกะทบประโยชน์ที่เป็นโลกใหม่เนี่ยศัพท์าสัมปท า, าในเหตุปัจจัยที่ถึงขั้นวิมาร ที่อธิบายไปแล้วนี่ถึงขั้นเป็นเป็นโลกน้อยเป็นจั ก, กรวาล น, น้อ ย, อยเป็นสังสารวัตน้อยด้วยเหตุด้วยปัจจัยนึงโอ้นี่เราเชื่อมันเราเห็นจริงเลยว่าเกิดประโยชน์แล้วนี่เชื่อจริงๆเลยมีศีลเอาศีล ม, มาปฏิบัติเนี่ยโดยมักองแปดมีศีลมีสมาธิขัดเกลาจิตของเรากายวาจาใจขัดได้เห็นจะกระทั่งเกิดญาณปัญญาเห็นวิมุตต์เห็นคันหลุดพ้นจางคลายอย่างที่อธิบายไปแล้วนี่ไม่มีสักเรื่องเลยเหรอือมีไหม ม, มีตาทิพแะ ญาณปุิญาณตาทิพย์ของจริงนะของจริงนะเพราะคนยังไม่ปฏิบัติเลยนะ่จะเข้าใจเหตุผลยิ่งพเราเนี่ยปฏิบัติได้ปฏิบัติมาจะได้ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยก็ตามถ้าปฏิบัติถูกแล้วขอท้าทายว่าได้เอาจริงเถอะขอท้าทายว่าได้ได้มากได้น้อยต้องได้ให้คนที่ไม่มีบุญบา ร, รมีแค่ไหนก็ตามจะต้องได้ในชาตินี้ต้องได้ แม้จะไม่มีปริมาณถึงขนาดจะปฏิญญาณได้ว่าเป็นพระโสดาบันมันก็จะต้องเป็นโคตรตพูจะต้องได้แน่นอนจะปฏิบัติมีเวรมีกรรมอดทนขัดเกลาหน้านองน้ำตาขัดไปอีกแล้วมันก็ยังไม่หมดทุกทีขัดไปแล้วมันก็ยังเหลือมันโอ้โเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะคุณบา ร, รมีน้อยจริงๆคุณก็จะเป็นโคตรตูจะเป็นผู้ที่เข้ากระแสไปไม่ใช่ถึงเข้ากระแสจะ มั่นใจในทางนี้ไอ้โครของปุถุชนนั้นจะเข้าใจเลยว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจะเป็นพาวะปัใจจัยให้คุณมีมีบุญขนาดหนึ่งแลวคุณจะภาคเพียรต่อถ้าคุณเองคุณมีบา ร, รมีที่คุณสั่งสมพยายาม อธิษฐานพยายามสแสวงหาพยายามติดตามมีหมู่มีกลุ่มมีบุญมีวิบากที่ดีได้มาพบพระศาสนาอีกก็เป็นไปได้นอกจากว่าคุณจะเออรู้ดีแล้วล่ะแต่ไม่เอาแล้วคุณก็ไม่ผากเพียรมีวิบากเมื่อไม่มีวิบากไม่อธิษฐานไม่ตั้งใจมันก็จะแยกจะแตกเกิดชาตินานาไปไอ้ที่บอกโคตรภูนั้นมันก็ฝังใจอยู่นะมันก็มีวิบากนะมันก็มีเชื้อนะแต่ว่าเหตุปัจจัยไม่ได้ก็เสียเวลาไปอีกไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติหายล้านล้านชาติก็ได้ แต่มีเชื่อนะแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติจนเข้ากระแสเป็นพระโสดาบันไดแต่ถ้าคุณใส่ใจอบรมสั่งสอนตนอบรมตนพยายามภาคเพียนไปด้วยมีวิบากที่ดีมีความสัมพันธ์มันเป็นวิบากแก่กันและกันนะคบหาพูดที่เป็นผู้เจริญพยายามที่จะมีจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเป็นตัวสําคัญเป็นตัวนําพาเราผูกพันก็นดีถ้าผูกพันกับบัณฑิต มันก็อยู่กับบัณฑิตมันก็จะมีฤทธิ์มีแรงโน้มน้าวไปหาบัณฑิตผูกพันคนผ่านมันก็จะไปหาคนผ่านไม่ต้องพิสูจน์ตอนตายแล้วเป็นๆนี่วิญญาณก็พาคุณไปแล้วคุณไปผูกพันคนผ่านมันก็ไปหาคนพานมันก็จะหาโอกาสไปพบกับคนผ่านถ้าผูกพันบัณฑิตมันก็จะไปหาบัณฑิตโดยแท้จริงเลย เพราะงั้นจิตวิญญาณที่มันเกิดจริงๆนะเกิดลักษณะผูกพันเกิดลักษณะสัมพันธ์จนผูกพันแล้วมันก็จะไปถ้าคุณต้องผูกพันอยู่กับบัณฑิตบัณฑิตจะพาคุณไปลงต่ําทําไมเกิดกิจชาติก็เกิดกับบัณฑิตจะไปไหนบัณฑิตพาคุณไปต่ําได้ไหมบัณฑิตจริงไม่มีทางพาคุณไปต่ำหรอกนอกจากคุณเข้าใจไม่ถูกไปถูกบัณฑิตแกจอมโจรบัณฑิตบัณฑิตหลอกคุณก็ไปติดบัณฑิตหลอก ไปผูกพันกับบัณฑิตหลอกก็ไปกับบัณฑิตหลอกพากันไปไหนอ่ะไปกับบัณฑิตหลอกพากันไปไหนเปนรกบัณฑิตจริงก็พากันไปสวรรค์สวรรค์ที่เป็นสวรรค์แท้เลยนะถ้าบัณฑิตที่สูงก็พากันไปเกิดจริงนี่เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพได้จริงทุกวันนี้อาตมาใช้ภาษาธรรมะนี่พูดกับพวกเรา คนใหม่ๆอาจจะยังงงบ้างแต่คนเก่าๆนี่จะจะเข้าใจยิ่งขึ้นภาษาเราก็เรียนมามากมายะจะเข้าใจว่าเออภาษานี้แต่ก่อนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องทีนี้พออธิบายไปเรื่อยสัมพันธ์อะไรอะไรต่างๆไปเรื่อยมีสภาวะมีอะไรรองรับเรื่อยอัตมาก็ว่าอัตมาอธิบายพิสดารขึ้นได้เรื่อยๆนะื้ เอามาขยายกันไปฟังเข้าใจดีขึ้นง่ายขึ้นคุณก็มีสภาวะรองรับคุณในปฏิบัติตนเองแต่ฟังบ่อยๆด้วยทัานคำอธิบายปริยัติทั้งมีสภาวะที่ปฏิบัติมันก็จะมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหล่านั้นทำให้เราเข้าใจยิ่งฉลาดเฉ ล, ลียวแท้ไม่ใช่ว่าฉลาดอย่างเฉกตาเฉโกฉลาดอย่างเป็นปัญญาที่แท้ มันจะเห็นความจริงเข้าใจความจริงได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้น น, นี่เราปฏิบัติกันมาอย่างนี้อาตมาพยายามวิเคราะห์โลกใหม่จะเรียกสัมปรายะจะสัมปรายกิกภูมิหรือจะเรียกประโลกประโลกโลกใหม่โลกหน้าโลกนี้คำวันนี้คำว่าเก่าคำว่าที่เราเป็นมาก่อนทุกคนอยู่มาก่อน ทุกคนเกิดมาในโลกเก่าๆใบเก่าๆนั้นก่อนทั้งนั้นน่ะอยู่ในภูมิเก่าภูมิเดิมเป็นโลกคืเป็นโลกเป็นโลกกิยภูมิภูมินั้น่ะเป็นธรรมดามาแต่ไหนไม่มีใครเกิดพรวดเป็นโลกกุตระภูมิกันทันทีไม่มีโลกุตระภูมิถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดไม่มีใครค้นพบพระพุทธเจ้าเท่านั้นค้นพบโลกกุตระภูมิโลกใหม่โลกนี้โลกที่ไม่ใช่โลกธรรมดาของสัตว์โลกเป็นโลกพ้นโลก เป็นโลกที่หลุดพ้นสังสารวัตโลกอย่างนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะทําได้แล้วก็เอามาประกาศหาวิธีเข้าไปสู่โลกใหม่โลกใหม่ที่พระพุทธเจ้าถึงคนพบนี้จึงท้าทายให้พิสูจน์อยู่ตราบใดที่ยังมีผู้รู้ทางเป็นสมมาทิฐิผู้มีทางแล้วก็ผู้พาปฏิบัติจนกระทั่งมีผู้เข้าถึงโล ก, กุตรภูมิอยู่าศาสนาพุทธก็ยังอยู่ ศา ส, สนาพุทธมีจริงคุณเชื่อไหมว่ามีศาสนาพุทธตอนนี้น <ะ S 1> แต่ก่อนนี่เชื่อไหมถามวงนี้เนี่ยก็บวมมานานแล้วนี่แต่ก่อนนี่เชื่อไหมว่ามีศาสนาพุทธอยู่ตอนนี้แต่ก่อนไม่เชื่อตอนนี้เชื่อแล้วเหรอยเชื่อผมพูดสิทนะเชื่อผมพูดจะไปได้เรื่องอะไรมันต้องกรรมสกาสทาศรัทธามีกรรมสกทาศรัทธาบ้า <c oughs> <c oughs> มีบ้าง ศรัทธาในของของตนนั้นผลที่ว่านี่เป็นมรรคเป็นผลที่แท้นั่นล่ะเป็นผลจริงๆของของตนเป็นผลผลละวบาคที่เป็นกุศลระวีบาคขนาดเป็นอริยะผลเป็นผลของอริยะคุณต่างๆผลที่ลดละกิเลสได้เป็นของของตนนะไม่ได้ไปฟังอของคนอื่นมาไม่ใช่เป็นนั่งโดนดาวมาจากไหนเห็นจริงเห็นของจริงตามความเป็นจริง มีของจริงที่เราได้ปฏิบัติกิเลสมันลดก็เป็นของจริงอารมณ์ของกิเลสลดเป็นวิมุติลดหรือว่าเป็นความจา ง, จางคลายเป็นวิราคะลดลดที่มันจางคลายลงไปมันก็ทราบเองรู้ของตนเองจริงๆแล้วเราก็เชื่อโอ้มันมีของจริงนะความสงบจากกิเลสเป็นอย่างไรอารมณ์ของความหลุดพ้นเป็นธรรมรสเป็นธรรมรสนี่เรียกว่าธรรมรสรสแห่งธรรม ไม่ใช่รถโล ก, กียะอ๋อปฏิบัติสงบร่งับลงมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างไงก็เถอะอย่างของคุณนะคุณของของตนไดนะ้เรียกว่าคุณจะเชื่อของของตนที่เป็นจริงเมื่อเชื่อแล้วเราเรียนรู้ทั้งปริยัติทฤษฎีเราก็มาปฏิบัติด้วยมีปฏิเวททรรู้ยิ่งรู้มากแทงทะลุรู้ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณก็จะเห็นโอทฤษฎีพระเจ้านี่ท่านสอนแล้วมันเป็นของจริงนี่มันยากกัจริงอยู่ มันลึกซึ้งก็จริงก็จะเห็นความลึกซึ้งนั้นจริงๆแลว้วเป็นนามธรรมอย่างไรมันเป็นนามธรรมจริงๆนะโลกใหม่โลกเ ก, ก่านี่เหตุผลภาษาที่ผมเอามาพยายามขยายหรืออธิบายประกอบให้ฟังหลักฐานที่ท่านตรัสไว้แล้วเราก็มาปฏิบัติจริงเพราะงั้นพวกเรานี่ได้ปฏิบัติมาจริงๆอย่างที่พาทำมานะจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระภูมินักบวชแล้วก็ตาม อย่างที่อธิบายเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบไปเป็นบุคพลิวาสานุสติญาณเป็นจุดตูปปาตญาณมีญาณรู้ความเกิดความดับที่แท้จริงโอ้กิเลสมันเกิดก็เข้าใจแต่ก่อนนี้แม่กิเลสมันเกิดจากน้ำพุเดี๋ยวนี้กิเลสมันฝนะ่อนะก็ค่อยหยดอ่อนกิเลสมันก็ค่อยไม่พุไม่แรงแล้วแต่ก็ยังบุง๋งบุงบุ๋งบุ ง, บงอยู่อะไรคุณก็จะรู้อ่ะเนี่เอาภาษาโลกโลกภาษาอธิบายอยุทานหอมมาประกอบ ที่มันเป็นนามมาทำว่ากิเลสบุ้งเบงแบงอะไรคุณฟังเอาคุณก็รู้เราว่าเปรียบเทียบยังไงคุณจะเข้าใจอ่อเดี๋ยวนี้มันอ่อนแรงเดี๋ยวนี้มันไม่มีรูปมีร่างอะไรจยาบหยาบคลายแล้วนะแล้วไอ้ที่เบาเบาบางๆนั้นเป็นรถที่เป็นวิราคานุปัสีเห็นรถจางคลายแต่ก่อนนี่มันแรงแรงโอโหกิเลสเราเหมือนนภูนแต่ก่อนนี่มันจัดจานนะมันทุกข์มันหนักมันลําบากลําบนอย่างไรมันพาเราทุกข์ขนาดไหน เดี๋ยวนี้ถึงมีจะมีทุกอยู่ก็เหลือทุกน้อยๆแต่ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยให้ประมาทแม้โทษภั ย, ภยมีประมาณน้อยท่านเอาให้ท่านสอนให้เราล้างให้เกลี้ยงเศษเหลืออะไรก็ต้องเอาให้หมดลองดูมันจะได้รู้รสชาติของวิมุติแท้สะอาดบริสุทธิ์ถอนอาสะวัคยายานกเกิดเห็นยานที่ถอนอาสะวะของเรื่องนี้ดูสิคุณก็จะรู้เป้ารู้ยานรู้สังโยชน์อ๋ออาสะวัคยายานเป็นอย่างนี้เนาะ บรรลุวิชาหมดแล้วไม่มีเศษเลยไม่มีอุทธจักรไม่มีฟุง้งไม่มีลอยอุทธจักรนี่คือฟุง้งลอยขึ้นมาอยู่จะเบาบางขนาดไหนจะเกิดยานสุขุมประณีตรู้ตัวต้นๆยังไม่ชัดเจนคุณก็อาจจะอ่านยากแต่ทำํำไรๆเรื่องไรย้ ain, ราวเข้าละวัล เ, เ, เพลงเพียนสร้างยานให้แหลมคมเหมือนกับทากล้องจุลทัศน์ให้มันขยาย ความละเอียดละออนิชัดขึ้นมามันจะเป็นนามธรรมละเอียดเล็กทุลีขนาดไหนเราก็สามารถที่จะอ่านได้จะเกิดยานนั่นเองจริงๆรงยานนั้นมันเกิดอยู่ในเราเนี่ยมันจะเจริญงอกงามเป็นยานเป็นวิชาเป็นอภินยาไม่ใช่อภิญญาของเดริชานเดริชากถาเป็นอภิญยาของพุทธไม่ใช่อภิญญาของเดริชากถาที่พูดกันบรรยายกันเป็นเดริชานวิชา เดรริชาร์วิชาไ ม, มไม่มีวิชาของเดรริชารวิชาเรื่ออภิญญาของโลกีไม่มีอสวรค์ขยายานหรอกแต่แค่จะมีจตุปปาตยานก็อธิบายอย่างการเกิดการดับของสัตว์โลกเกิดการดับของวัตถุรูปมันไม่ใช่การเกิดการดับของปรมัตทสัจจะอย่างที่กล่าวนี้ะจะมีอภิญญาหอภิญญาอภิญญาหกไม่มีอภิญญาที่จะมาเกิด ถ้าจะนับหก็ได้นะนับหก็ได้แต่หกนั้นของเ้านะั่นอภิญญาเขานับมาตั้งแต่อิทธิวิธีใช่ไหมอ่าเขานับอภิญญาห้าอภิญญาหกเนี่ยอิทธิวิธีโสตทิปเจโตปริยาณบุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตญานอภิญญาห้าจะอภิญญาหก็ได้นับว่าชานเป็นอภิญญาอีกอันหนึง่งก็ได้แบบโลกีนะ มีชาญกับชาญฤาษีได้พลังของจิตมาก็เล่นอิทธิวิธีแบบโลกโลกวิปัสสนาญาณกับมโนมยิทธินี่มันของพุทธแต่เสร็จแล้วเขาก็ไปอธิบายเพียงมโนมนยิทธิป ร, ประเภทอิทธิวิธีนั่นเองยในที่ก็อธิบายกันน่ยมโนมยิฐที่ก็าบอกมีจะมีความเก่งทางใจสามารถเห็นนนท์เหนนี่หอนอนเหาะนนท์ดับน้บําดับดินห่อเดิดนอากาศอะไรก็ตามใจแบบอิทธิวิธี ก็เป็นแบบเดรัจฉานคาถาเดรัจฉานวิชาเขาก็อธิบายกันไปโสนทิพย์คนดีจะยินเสียงของคนอื่นอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงจริงๆอะ่ะเขาพูดอยู่ที่ไหนก็ได้ยินก็เป็นความสามารถเป็นอภิญญาทางเดรัจฉานวิชาไม่ได้พาพนทุกมันยิ่งพยองมันยิ่งเห็นความเก่งของตัวเองมันของวิเศษนะ ได้รับชาวิชานี่คุณนั่งอยู่นี่นี่ใครด่าอยู่ที่โน้นได้ยินแล้วเนี่ยตอนนี้ใครด่าอยู่โน้นเนี่ยด่าอยู่สมาคมโน้นเราได้ยินล้วเรามีโสดทิพย์ได้ยินเสียงไกลๆที่ได้ยินได้ยินที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่อาตมาเดานอาตมาเคยเล่นถึงแม้ว่าอาตมาจะไม่เก่งกาดไม่ได้ได้ยินเสียงแบบนี้อย่าง ตำนานจริงๆก็ตามเขาเคยเล่นได้ยินบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่เก่งยังไม่เก่งจริงๆอ่ะเสร็จแล้วอาตมาก็ไม่เอาแล้วเดือนนี้ไม่มีแล้วไม่ได้ซักซ้อมวิชาการพวกนี้ต้องซักซ้อมซักซ้อมอยู่เสมอเหมือนคนเล่นกลเนี่ยจะเก่งยังไงก็ต้องซักซ้อมอยู่เสมอหยุดซักซ้อมเมื่อไหร่เลยไม่เป็นหรอกชั้นเดียวกันน่ะกับวิชาการทางโลกทุกอย่างมันไม่เหมือนวิชาการของพระพุทธเจ้าที่ล้างกิเลสหมดแล้วหมดจริงถอนอนุสัยอาสวะแล้วนะไม่มีเวียนกลับ ไม่เวียนกลับเป็นเรื่องเที่ยงแท้เรื่องเป็นไปแล้วแม้แต่เข้ากระแสพระเจ้ายังยืนยันเลยเป็นพระโสดาบันที่มีคุณภาพเป็นผลไม่ใช่แคมมักเดินทางยยังไม่ถึง 50% นี่มันก็วกเวียนได้แต่ถึงขั้นเป็นผู้ที่เข้าผลแล้วเป็นโสดาปฏิผลถึงขั้นเข้ากระแสรจริงนะท่านบอกว่าเที่ยงแท้ไม่ตกต่าเป็นผู้มีนิพพานในเบื้องหน้าเป็นธรรมดา ชาติใดชาติหนึ่งคุณจะจะเป็นเล่นหล่อแหลขนาดไหนก็เคยอธิบายฟังแล้วมันจะเกิดจากท้องแม่ท้องพ่อปุ๊ดออกมาแม้จะเป็นโสดาบรรชนิดหาเจชาติสตักขดุปรมโสดาขนาดเจชาติก็ตามก็ต้องรู้ว่าชาตินะั้นไม่ใช่ชาติของร่างกายชาติรอบของจิตวิญญาณที่จะต้องสํารอกให้มันครบรอบของมันเป็นชาติชาติความเกิด มันเกิดอยู่จริงแะกิเลมันเกิดขนาดไหนคุณก็ต้องมีปริมาณของกิเลของคุณหมดไปขนาดเท่านี้จึงเรียกว่าลดชาติลงไปหนึ่งชาติลดหมดไปเท่านี้จึงเรียกว่าสองชาติต้องรู้ปริมาณของชาติอันนั้นต์าำให้ภาคเพียรกิจะ ท, ท่องแม่ท่องแม่เราเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิบอกโอ้เราเข้ากระแสแล้วเรวได้เป็นโซดาบันแล้วเสร็จแล้วก็สบายแล้วมิจฉาทิฏฐิว่า เกิดดีเจชาติมันก็ได้แล้วอย่างเก่งก็เกิดดีชาติได้เป็นพระอาหารหันแล้วมันก็รอแต่ปุ๊บออกจากท้องแม่ทีนึงก็น่าละเราไม่ต้องปฏิบัติรารอเกิดมาเจ็ทีปุ๊บออกจากท้องพ่อท้องแม่เจทีไม่ต้องมีภาคเพียรไม่ต้องมีปฏิบัติอะไรรักดีไม่ดีเละเลยด้วยนะ <c oughs> คุณเอาอะไรมาเกิดนะ่ะจิตวิญญาณมันจะถูกสำรอกกิเลสตรงไหนให้ปุ๊บออกจากท้องแม่อีกพันชาติล้านชาติมันก็ไม่ได้บรรลุมันก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหัน เชื่อไหมเชื่อไหมเข้าใจไหมนะเพิ่มขึ้นแต่ความฝังใจนั้นที่เป็นวิบากมันมีมันกันมีแต่คนก็คือเอาความเลอะไม้ตัวเองทรงล้างเพิ่มขึ้นอีกมันโง่แล้วมันฉลาดล่ะไปอาบอา่ะที่อาบมาน้าหนา แต่ความฝังใจที่มันมีญาณทัศนะเห็นแล้วคุณก็จะเห็นต่อไปคุณก็บเบื่อวันได้วันหนึ่งมันก็ต้องถอนกลับแต่ต้องไปเสียเวลาทำไมอ่ะไปเสียเวลาทำไมฮะมจะหนาเอาอะไม่ใช่ไม่ใช่เกินเจ็ดชาติชาตินึงคือล้างความหนาออกมาได้ขนาดนี้ คุณไปเพิ่มหนามันก็ต้องทําไปทํามันโอ้โหทีนี้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่อีกกี่ชาติแล้วก็จะล้างหนานี่ออกได้ล้างหนานี่ออกละได้ขีด ข, ของมันฟังใหดีนะสมมุติว่าคุณหนาเท่านี้ก่อนนัะนนะแต่คุณเป็นโพสโสดาแล้วนะคุณก็ไปประมาทก็ไปทำให้หนาเพิ่มขึ้นหนาเพิ่มเอาไปให้ไปเทนเอาแต่ก่อนว่าหนาอยู่แค่สองนะเสร็จแล้วเราก็ประมาทเกิอดอีกจากท้องพอ่อท้องแม่ใหม่ปฏิบัติแล้วว่าเป็นเละเพิ่มเติมความหนาของกิเลนมาอีกใช่ไหม มันก็น้ํามาอีกเป็นสี่คุณก็ต้องมาล้างมันสีใช่ัหมนี่เรียกว่าชาติหนึ่งคุณก็ต้องมานั่งล้างเพิ่มอ่ะชาติเขากิเลบมันหนาขึ้นอีกสิสี่สี่เท่าคุณเข้าใจไหเออแต่ก่อนนี้มันสองนะเออแต่คุณไม่ประมาทแล้วคุณก็มานั่งล้างมันสองนี่ก็หมดไปแล้วนี่เพราะว่าขีดมันขนาดนี้คุณไปเติมเรืใหม่อีกทําไมอะ่ะ คุณก็ซวยไปอีกคุณต้องพุทธออกจากท้องพ่อท้องแม่มากชาติกว่าเนี่ยแทนที่จะล้างหนาแค่สองนี่คุณพุทธออกมาสองทีหรืออาจจะพุทธออกมาทีเดียวคุณก็ล้างสองนี่หมดใช่ไหมชาติเดียวก็เกิดมาทีหนึ่งก็ล้างออกได้เลือดที่หนาแค่นี้นี่คุณผ่าไปเอามาอีกสองอ่าแทนที่จะเกิดชาติเดียวคุณเกิดสองชาติดีไม่ดีมันอาจจะสามเพราะว่ามันยิ่งหนามันยิ่งไม่ใช่ง่ายงมันทับทวีนะใช่ไหมมันยิ่งยากกว่กันเนี่ยมาความท้อแท้มันมีมากกว่ากันมันความเหนื่อยมันมีมากกว่ากัน แต่คุณจะต้องรอดาเขตนี้นะเข้าใจไหมเขตที่มันมีหนาแค่เนี้ยแต่ก่อนมันหนาแค่นี้หนาแค่สองคุณจะต้องล้างออกเรื่อยๆเขตนี้ถึงเรื่อว่าชาติหนึ่งชาติของกิเลที่จิตของคุณนะนี่คือไอความเปื้อนนะ่ะความเปื้อนมันหนาแค่นี้ของคุณนะหมดรอบอันนี้เนะแต่นี้คุณไม่เอารอบนี้เท่านี้ทําหนามาอีกอ้าวคุณนะคุณทําเองอนะ่ะแต่มันมีมันมีพลวัตปัจจัยที่มีแล้วเนะี่ยมัน มันยิ่งจะเห็นทุกแล้วคุณก็จะต้องวนเวียนกลับมาอยู่ดีไปยังไงก็ต้องวนเวียนกลับมาอันนี้คือความเที่ยงแท้ก็คุณลองก็ได้นี่ลองเถอลองเดยก็ลองก็ได้นี่ก็ยากก็ต้องช้าไปอีกนานนะมันเป็นมันเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคือมันจะเกิดสภาพที่ซับซ้อนเสียเวลำเวลาช้านานไปอีก มันเป็นความทุกข์ที่ทุกทับท ว, วีของคุณไปอีกยิงตัวที่ปักใจตัวที่เห็นสิ่งที่ได้แล้วมันมีเป็นหลักอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าถึงตรัสใต้ว่ามันเที่ยงเข้ากระแสแล้วเที่ยงมันก็จะมีสิ่งเปรียบเที่ยบไปคุณนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องมาแต่เสียเวลาอย่างนั้นนะ มันเหคางคกต่างอย่างหัวไม่ตกเองมันก็ยังอยากจดลองอยู่น่อยากเป็นอยู่น่อะไรเงี้ยมันก็อย่างงั้นนะแต่มันต้องมาสุดท้ายมันกต้องมาเพราะว่าอันนี้มันมีแล้วจริงถึงขีดจริงแล้วเห็นวิมุตติรสก็มันก็เป็นวิมุตติรสที่จะให้คุณเหมือนกันทีนี้เราควรประมาทไหมล่ะถ้าคนที่นึกอยู่แล้วมันเบื่อเต็มทีแล้วใครก็อย่าไปทำไปทําทําไมเพราะว่าจิตวิญญาณที่ผู้ที่มันดื้อด้านมันมี จิตวิญญาณผู้ที่มันไม่ดื้อด้านมันก็มีอ่ามันเป็นแกนของมานะอีกตัวหนึ่งแกนของมานะเนี่ยตัวมานะที่สั่งสมมาดื้อด้านๆอยากจะบ้าวบ่าวบ่ไปชดเขาบอกให้เลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเขาบอกให้เขาเดินหน้าไปกลับหลังอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้ลักษณะพวกนี้ไปฝึกเข้ามากๆเธอเราจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะกระยุกกระยักกระยุกกระยักอย่างนี้ทรมานทรมกรรมอย่างนี้ไปฝึกเถอะใครจะอยากได้ ถ้าคนไหนว่านอนสอนง่ายเอาไม่ไปเจดเด็จประชดประชันไม่จบไปก็ยึกก็ยากแบบนี้มันก็ไม่สร้างไม่สร้างกิเลสลักษณะนี้ให้แก่ตัวเองแต่ใครไปสร้างกิเลสลักษณะนี้ให้แก่ตัวเองเหมเห็นละบางคนนะโอ้ทาไมมันจะต้องไปเป็นอย่างนี้ไอ้ว่าทําไมเนี่ยอิทถึงอธมารู้ก็เพราะว่ามันโง่ทําไมไม่ใช่อะไรหรอกก็มันโง่มันเอาวิชาก็ไม่ไปถามไปพูดเปรยๆก็ถามเองตอบเองนั่นะ ก็เพราะมันมงงงมันไปทําอย่างสิ่งที่ไม่ควรทําไปควรสะสมสิ่งที่มันไม่ควรสะสมมันก็กลายเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วสิ่งใดที่เป็นอกุศลสิ่งใดที่มันไม่ดีก่อนล้างมันล้างมันล้าง ม, มันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะเป็นจริงขึ้นมาได้เมนนื่อขณะนี้นี่อาตมามั่นใจนะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ า, าศาสนาพุทธเจ้ายังไม่สูญหายอาตมาเองอาตมารู้อย่างนี้ ทำอย่างนี้มาเอาของจริงนี่มาพูดสู่เป็นภาษาไทยให้คุณฟังอธิบายอย่างอาตมาอธิบายซึ่งไม่ได้อธิบายอย่างเขาอธิบายกันนักมันก็พอซ่อนๆกันอยู่นะของเขาอธิบายมันก็ไม่ได้ิดเพี้ยนกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันยาวหรือมันลึกซึ้งหรือมันเข้าเนื้อเข้าหนังต่างกันเท่านั้นแหละใช่ไหมจะบอกโลกหน้าตายคาว่าตายเหมือนกันนะแต่ของเขาตายเนื้อหนังใช่ไหมตายเนื้อหนังไปเน่ะค่อยๆสู่สัมปราคยิกภูมิแล้วค่อยเกิดศรัทธา จะได้ประโยชน์ใช่ไหมเขาก็ได้ประโยชน์สีสัมปราค ย, ยิกภูมิที่เข้าสู่โลกเนี้โลกสัมปราคาเยี่ภูมินี่แหละที่จะได้ประโยชน์สแล้วตายแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์4ี่ อ, อ๋จริงตายคําตายต ร, ตรงตัวเดียวกันแต่คนเขาตายแล้วที่จะได้ประโยชน์สีก็เขาตายร่างกายไปได้ประโยชน์สีไอเราก็พิสูจน์ไม่ได้สิมั ข, ขัดแล้วสวาสดิ์ธรรมพระพุทธเจ้าเอหิปัสสิโกโก ท, ท้าทายมาพิสูจน์ได้นะไม่ได้มันรู้เรื่องนะ อ้าอันนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วตายแบบนี้เลยไม่พิสูจน์กันสักทีแต่ของเราเนี่ยอธิบ า, ายอย่างนี้ยิ่งคุณได้ทำมาจริงเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้เป็นไปได้ตายเหมือก น, นกันกิเลสตายไงแล้วโลกที่ว่านี่โลกต่างกันกับเขาโลกสังสารวัฏเหมือนกันอธิบ า, ายความหมายก็เหมือนกันว่าเป็นสังสารวัฏเป็นความวนเวียนไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักจยังจะมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเหมือนกันภาษาเหมือนกันน่ะ คนเราก็เกิดดาวก็รู้เปล่ า, ลาอะไรเกิดกิเลสเกิดเสร็จแล้วเรามาทํำจน ก, กิเลสตายอาตายแล้วตายแล้วเห็นภูมิสัม ป, ปรายิกภูมิแล้วประโยชน์เกิดเลยศรัทธาก็เกิดศีลก็เกิดจาข้าก็เกิดปัญญาก็เกิดถึงพร้อมไหมคุณถึงพร้อมสัมปทาคุณถึงพร้อมจริงก็โอ้นี่มันชัดแล้วเราเชื่อมันเลยเป็นศรัทธาถึงขนาดสัตทินรีสัทธาพภะละเป็นกรรมสกั กรรมสัทธาวิปากศัทธากรรมสกตาสัทธาตถาคตโพธิศัทธาศรัทธาเพราะโก้โหศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าคําสอนนี้จริงคําสอนนี้เห็นผลเห็นผลอย่างชัดแจ้งมีของอยู่ทนโทษมีของจริงที่ปฏิบัติได้อยู่ทนโท่พิสูจน์มันก็จริงจริงอ่ะใช่ไหมเห็นแจ้งเห็นชัดอยู่อย่างนั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้าที่แท้ ที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะเราฟังพระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่ฟังพระพุทธเจ้าฟังเขาเอาคําบานี่ของพระพุทธเจ้ามามามาม า, มาอ่านเอาของพระพุทธเจ้ามาเรียนพร่องพระเดชปิฎกขยายความมีอาจารย์สอนอยู่โอ้มีเหตุมีผลดีเป็นตรกกษาส์สูงสุดมีปรัชญามากมายไม่ใช่เท่านั้นมาปฏิบัติเห็นของจริงโลกใหม่ก็ชัดเจนโอ้อย่างนี้แหละโลกใหม่ประโยชน์ของโลกใหม่นี้พิสูจน์ได้ เพราะประโยชน์สัพพร้ายก็จะประโยชน์ตายเนื้อหนังไปตายในพิสูจน์กันไม่ได้ไม่เป็นเอหิปัสสิโกแต่ตายกิเลสตายเนี่เป็นเอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์ได้ตายเหมือนกันหมดสังสารวัตเหมือนกันสังสารของเขาในใ่ะไกลกว้างเป็นเนื้อหนังมังสาสังสารวัตนี้เป็นปรมัทิติเป็นจิตเจตสิกและมีรูปมีนิพพานถูกรู้ได้ว่าสภาพศูนย์สุญญาตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอาสวัคคายายานสิ้นแล้วก็เห็นอยู่อย่างเงี้ย เห็นสุญญาตาเห็นอนัตตาศูย์แล้วเห็นความศูย์เห็นความไม่เกิดอีกหมดโลกหมดความเกิดหมดความตั้งอยู่หมดความดับไปมันดับแล้วมันไม่ต้องเกิดอีกเห็นอาสวะคยายานนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเหุ้ริึงชัดเจนให้ดีแล้วต้องมีของจริงนะคุณได้ภาษานะี่ยอย่าไปตีกินนะตีกินกับคนตีกินนั่นแหละคุณก็สวของคุณ น, นั่นแหละ เสรแล้วจะเอาไปยิ่งเอาวิชาการนี่เป็นหลอกเอาเงินเอาทองหลอกเอาโลเกียร์เข้าไปอีกบรรยายนี่เป็นโลเกียร์ไปอีกคุณก็หลอกสัจจะของความหลอกก็คือหลอกมีบาบไหมสัจจะของความหลอกเนี่ยมีจริงเหรอเชื่อเหรอสัจจะของความหลอกมันมีจริงนะเพราะงั้นใครจะเอาอันนี้เป็นหลอกเป็นหลอกสร้างบรรลังลาบยศเสริญโลเกียสุขของตนเอง คุณก็หลอกเขานั่นแหละพอเราได้บัญญัติภาษาลึกซึ้งเนะเอาไปโมแลหลอกจนเขาหลงผิดนะระว่างปราชิกอหลอกโอ้โหคนนี้นี่ยอธิบายลึกซึ้งหนึ่งถึงวิมุตตินิพพานเลยนะคนนี้จะต้องมีนิพ น, นิพานเปล่าฟังที่ปากไปจำได้มแม่นโอ้โหปฏิพานดีเฉลียวฉลาดดีนะคล่องปิดเลยบรรยายนี่ก็โหลิงตกต้นไม้เลยคนเชื่อเลย บอกว่าโหมันละเอียดละ อ, อถูกต้องจริงจริงไคนจำดีดีปฏิพานดีดีก็จําได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาตักกระสร์นี้ไปไปสอนเขาไปบอกเขาคนก็เอาไปปฏิบัติได้โดยซ้ำไปแต่ตัวเองเป็นอาจารย์ที่ตัวเองมีมีสัจจะแห่งความหลอกโดยที่ซ้ำไปคนหลงเชื่อว่าเราเป็นใจเป็นโตเลยนะไอ้นี่แหะมันเป็นความล้มเหลวแล้วมันจะเพี้ยนตรงที่ว่าเมื่อเขาจับได้ตัวเองก็จะต้องเลี่ยง เมื่เลี่ยงก็จะเพี้ยนอะจะอะไรอะไรโมโ ม, ามาเม่ในคําอธิบายจะเอาอะไรไปผสมเข้าไปเพราะไอ้ m a n ะมันมีมันรักศักดิ์ศรีเอ้ยเดี๋ยวเขาจับได้ว่าเราเองนี่เด้พลาดพลั้งยืนยันเป็นแล้วอย่างงนอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าฉันสูงฉันอย่างงนอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันเสียหมดนี่ความรักตัวความรักว่าตัวเองจะต้องไม่ตกต่ําจะต้องไม่ให้เขาเข้าใจผิดมันสามารถที่จะมดแทดสามารถที่จะ อคูสนทุจริตไอ้พวกนี้ได้เมื่อทําไปอีกทีนี้ก็เพี้ยนละหาทางเลี่ยงเอาไอ้นำมาอธิบายประกอบอ่างอินแก้ตัวนูนนี่นี่ไปไอ้คาแก้ตัวต่างๆก็ผสมผสมลงไปในสัจจะเพียนไปเพียนไปนี่ศาสนาเสื่อมเพราะอย่างนี้เสื่อมมาแต่นายแต่ไหนเลยผู <c oughs> ้ที่มีของจริงท่านจะซื่อสัตย์ถ้ะท่านก็จะพูดของจริงถึงจะยังไงยังไงถ้าพูดผิดผิดถูกๆถ้าท่านมีสภาวะจริงนะ มันก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่ไอ้ประเภทไม่มีของจริงแล้วพูดถูกก็บุญไปไอ้พูดไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าไม่ถูกเพราะตัวไม่มีของจริงดนดนเดาๆนั่นละพาเสี่ยงพาเสือถ้าพูดที่มีของจริงแล้วนี่นะมันสะดุดใจตัวเองนะเฮ้ยไอ้นี่มันผิดนี่นะมันผิดที่ตัวเองมีแล้วเป็นตัวถูกต้องนะเป็นตัวสัจจะแล้วใครมันจะไปพูดผิดในเมื่อของจริงน่ยมันถูกของตัวเองเราไปเราพูดผิดเราจะยอมแก้คําพูด ฟังออกไหมคือเรามีของจริงที่เป็นของดีนี่เรามีสุญญาตาเราพูดสุญญาตาผิดไปผิดภาษาเออสุญญาตาก็คือตัวช้างเหมือนเงินนะแหมนึกว่าคือช้างนี่เป็นตัวศูนยะ์เหมือนเงนนะคนก็มาท้วงช้างมันสี่ขางามีงวงมีนะทันมันไม่ศูนย์นะโอ้เหรอเราจะแก้คําพูดเพราะว่าไอ้มีช้างกับไอ้สัญญาตาที่มันไม่มีช้างเนี่ย มันไม่สอดคล้องแล้วมันก็ไม่จริงกว่าเราจะยอมเสียบัญญัติสภาวะของเราสูญอยู่แล้วก็จะพูดผิดเนี่ยเราจะยอมเสียบัญญัติจะยอมไม่มีมานณะหรอกมันจะยอมว่าก็มันนี่มันจริงอ่ะมันดีอ่ะมันดีกว่ามันถูกกว่าแต่คนที่ไม่มีสภาวะจริงเนี่ยแต่พูดกับเขามันยายไอ้สิ่งที่ผิดเพี้ยนไม่มีสภาวะจริงนะมันจะไม่ มันจะไม่รักของจริงมันก็พูดเพี้ยนไปได้เลย เ, ลยมเมรื่อยโบเมไปเรื่อยไปยิ่งบาบาบอช่ใส่อะไรไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้เลื่อมใสในของจริงมันไม่ได้เห็นขอ ง, ของวิเศษแท้ถ้ามีของวิเศษแท้ใครจะให้ของวิเศษแท้เปื้อนไอ้มันพูดผิดมันก็มาทําให้ของจริงเปื้อนใช่ไหมเหมื่อคุณมีเพชรอยู่ในมือเพชรสวยเนี่ยนะเราอธิบายเขาผิดว่าเออมันราวนะ เพชรเนี่ยเราบอกว่ามันมีมรอยรา้รารอยอะไรอะไรนะแท้จริงคุณมีเพชรไม่ราวนะคุณมีเพชรที่สะอาดบริสุทธิ์เลยเพชรดีนะแต่คุณไปบรรยายว่ามันมีราวนี่เพราะไม่รู้นึกว่าบรรยายภาษาคําว่าราวนี่คือของดีคนก็บอกว่าราวนี่มันคือความบกพร่องของเพชรนูนะทําไมลนะ่ะเขาบอกว่าเอาเพชรไปให้เขาดูเขาก็ส่องกล้องเลยโอ้โหไม่ราวนี่ราวสิ ถ้าคุณยังเข้าใจว่าราวนี่แปลว่ามันบริสุทธิ์ราวราวแปลว่ามันแตกแหวกไมันร้าวมันมีแผลมันมีตําหนินะเหรอจริงหรเปล่าจริงคนนี้ก็ยืนยันจริงไราวนี่แปลว่ามีตำหนิเออตำหนิคือความไม่บริสุทธิ์นะเหรอคุณมีเพชที่บริสุทธิ์อยู่คุณก็บอกไม่ยอมมันต้องเล่าต้องเลา่าเหรอเขาบอกอ๋อราวนี่แปลผิดแล้วเขาใจผิดแล้วภาษานั่นอะ่ะเขาใจผิดเออเขาใจผิด เออมันไม่เล่าแกและแม่เราโง่ที่ไปพูดคําว่ารล่าเนี่ไปหลงว่าเป็นความบริสุทธิ์คุณจะแก้ภาษาคุณจะไม่ยอมมาเสียของจริงพังออกมาเออยกตัวอย่างอันนี้ดีกว่าช้างยกตัวอย่างเพชรนี่เข้าใจกว่าช้างคุณจะไ ม, ไม่ไม่ยอมเสียของจริงคุณจะยอมเสียภาษาคุณจะยอมเสียบัญญัติเพราะคนที่บรรยายธรรมะเนี่อย่างผมเนี่บรรยายธรรมะผิ ด, ผ, ดผิดภาษาครานี้เขาต่อว่าผมผมไม่ยีหละหรอก ผมไม่กระตุ้กระเทือนอะไรเราผมแก้ภาษาก็ได้แต่จะให้ของจริงผมเสียก็แล้วกันถ้าของจริงผมมีจริงผมจะไปยอมเสียภาษาจะยอมเสียของจริงแล้วจะไปอาภาษาตามคุณทําไมถ้าคุณยกพูดอย่างนั้นอยู่แล้วของคุณไม่ตรงของจริงด้วยเข้าใจไหมเพราะคนมีของจริงแล้วพูดผิดภาษาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกสักวันนึ่งก็แก้ได้แต่คนที่มีแต่ภาษาไม่มีของจริงเนี่ยเลอะเลย เล่าเป็นยังไงบริสุทธิ์เป็นยังไงส่ใหญ่เลยบริสุทธิ์ก็คือมีสีแดงสีเขียวนะมีรอยแยกๆอย่างนี้นะไปใหญ่เลยทีนะี้มันไม่มีของจริงยืนยันนี่คุณก็พูดเลอะไปหมดแล้วก็หลงไปตามๆกันไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะในความเสื่อมมันมาจากคนที่รู้ภาษาเพราะเราระวังนะพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้พูดอุตริมนุสธรรมต่ออนุสัมบัณ์อย่าเพ่พูดพร่อย เสร็จแล้วพวกเฉลียวฉลาดเนี่ยเอาไปตีกินตีกินศาสนาเสื่อมเพราะเหตุนี้นะเพราะระวังนะระวังประมาณตนว่าเรามีจริงเท่าไหร่เรามีของจริงเท่าไหร่อย่าพยายามไปที่ได้สู่รู้อธิบายของที่เรายังไม่มีจริงอะไรนี่มากแล้วขยายความไปตามปฏิพานธบอจริงประผิดผิดประ พ, พ, พลาลเขาจับได้จรไปใหญ่เลยตอนนี้ น, ะนี่นี่แหละแหมนรกไม่มีหยุดจังเลยตอนนีนะ้มันมันมานะมันเป็นอยังไงน่ะ กิเลสเนี่ยมันซวยๆมันพาให้เราดันทุรังถ้ารู้ว่าตัวดันทุรังแล้วเออเราผิดแล้วอย่าดันทุรังต่อไปเลยน่ายอมรับผิดดีกว่าน่ะผู้ที่ผิดแล้วรู้ว่าผิดยอมรับผิดนะพระพุทธเจ้าสันเสริญแล้วมันไม่เสียหายอะไรต่อยอมลดมานะซะถ้าไม่ลดมานะยิ่งดันทุรังต่อไปแล้วมันสวยจริงๆความเสื่อมมันเกิดด้วยเหตุนี้เยอะนี่เขาก็ยังดันกันอยู่อ๋ออาตมาไม่มีปัญหานะ ผมไม่มีปัญหานะผมว่าผมได้พยายามที่จะเอาสัจจะนี่มาเปิดเผยแล้วก็พิสูจน์ได้ถึงขนาดนี้วันนี้พระพุทธเจ้าท่านนี่ก็อธิบายแล้วที่งานปรกเสกย้ำยืนยันแต่ที่จริงก็อธิบายมาหลายทีแล้วนะวะ่าในทิฏฐิสิบเนี่ยสำคัญมากเลยนะตั้งแต่ทินังยิททังหุตังกัมมานังายังโลโกปโรโลโกมาตาปิตาสาตาอุปปาติกา สมณพราหมนาสิบข้อเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะถ้าสมณพราหมนาที่ไม่เป็นอริยะทิ่นังก็ไม่บริสุทธิ์ยึดถังก็ไม่เข้าใจว่ารูปแบบวิธีการเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อขัดเกลารเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานังปรามังวทันติพุทธามันจะเป็นไปเพื่อนิพพานพูดออกมากล่าวออกมามันก็ไม่เป็นประกอบวิธีการอะไรก็ไม่เป็นไปเพื่อความขัดเกลาร์ทิแท้ หุดตังสังเวยก็บสังเวยบาบาบาบอสังเวยผิดผิดไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของเทวนิยมไปเลยุกวันนี้เรายิ่งมีภัยเราเหมือนสองครามมีสงครามมันเขาก็ดิ้นสุดที่เหมือนกันเนี่พยายามรวบรวมกันพยายามก็พักขมูพยายามตอนนี้ประชุมหลังสุดนี่โอ้โหรวมสมมาคมรวมอะไรนี่พุทธสมมาคมประชุมวานนี้ยในเอกสารมาปึงรวมกนใหญ่เลยเพื่อจะเล่นงานจะล้มล้างสันติสุขให้ได้เอ้อ รมได้ก่อนมเราก็ไม่หวาอะไรเราก็ไม่ได้พยองอะไรว่าเราจะล้มไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรใช่ไหมจะล่มก่อน่มถ้าล่มได้แต่มันเข้าใจยังไม่ได้นักเพราะอะไรที่จะเป็นสัจจะที่จะบอกให้เขารู้ตัวว่าอย่ามาล้มเลยสิ่งที่ดีอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นภัยนะปล่อยให้มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเถอะเราก็จะแสดงออกไปบอกให้เขารู้ตัวบ้างแต่ถ้าเราไม่เก่งแสดงให้เขารู้ตัวไม่ได้เราไม่โทษเขาเราว่าเขาตาบอด เราจะโทษตัวเราเองว่าเราแสดงความจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแสดงความจริงให้มันมีก้อนแก่นสาระสัจจานิให้มันใหญ่มันโตมันมีริ้มีสังสีมีรัศร ม, มีจนกระทั่งคนตาบอดเห็นได้สำนวนนี้เนี่ยพูกคุณจะทราบซึ้งกันอีกเมื่อไหร่อ่าให้ก้อนความจริงให้ก้อนสัจจะนี่ให้สารสัจจะนี้มันใหญ่มันมีรัศมีมันมีแรง มียิ่งกว่ารังสีเรเซอร์มียิ่งกว่าอะไรเนี่ยชอนใจเข้าไปคนตาบอดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยอมแล้วเห็นแล้วตาบอร์ดมันก็เห็นได้มันรู้ตัวได้นั่นเองมันเข้าใจได้นั่นเองมันก็ยอมหยุดนั่นเองให้เขาหยุดอย่างนี้ให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปรบปลาค่าฟันเขาให้มันมีอํานาจของธรรมให้มันมีฤทธิ์ของธรรมจะเป็นฤทธิ์ยิ่งกว่าแสงเรเซอร์ยิ่งกว่าแสงเอ็กซ์เรย์ ยิ่งกดแสงอะไรที่มันจะสามารถช้อนใช้เข้าไปให้คนที่มันมืดมันบอดนี่เห็นได้ไม่ใช่เราจะไปจะไปปลุกปล้ําผ่าตัดตาเขาให้เห็นเท่านั้นเราทําดีของเราให้มันมีฤทธิ์ด้วยแต่ถ้าผมว่าเขายอมให้ผ่าเราก็จะผ่าด้วยเหมือนกันนะตาบอดใจนะีม้มายอมให้ผ่าพอเขายอมให้ผ่าเราก็จะพาแต่เขายอมที่ไหนล่ะเขาไม่ยอมให้ผ่าเราก็มีทางเดียว เราต้องทำตัวเราให้มันมีริดแรงมันยิ่งกว่าแสงเรเซอร์อย่างที่ว่านแม้แต่ตาบอดมันก็มีแสงนี้ลอดก็ไปเห็นได้ น, นั่นแหละเขาถ้าจะร้องโอยๆว่าโอ้ยอมแล้วคุณจริงคุณจริงพอฉันสัมผัสแล้วมันถึงอย่างงั้นนะเนี่ยแตมาว่าได้ยกภาษาขึ้นมาม า, ม า, มาอธิบายตัวอย่างอะไรแตได้ขึ้นมาชัดขึ้นกว่าเก่านะเอาละน่ะก็ทดสอบไม่ใช่ทดสอบตรวจสอบทบทวน และพวกเราก็จะได้เข้าใจเกิดศรัทธาเรื่องเกิดความอุตสาหาวิริยะมีอิทธิบาทตยายามภาคเพียนไปแต่เห็นว่าของนี้จริงและสิ่งที่จริงแล้วก็ทำประโยชน์ของตอนนั่นะเป็นหลักพอวันนี้